รรมกถาครั้งที่ส2สองตอนอธิบายขันห้าได้กล่าวถึงการปฏิบัติทางสมถะและวิปั ส, สนาการปฏิบัติทางวิปัสสนานั้นเริ่มด้วยการพิจารณาปัญจขันกองขันห้า จะได้กล่าวย้ำความที่ได้แสดงแล้วก่อนขอให้ทุกๆคนรวมจิตเข้ามาดูตนเองดูปัญจขันธ์ของตนดูให้รู้กองรูปรูปกายทั้งหมดที่เป็นมหาพูต ร, รูปแปลว่ารูปที่เป็นส่วนใหญ่อันเป็นส่วนรวมของคุณลักษณะต่างๆ ส่วนที่เข่นแข็งเป็นธาตุ ด, ดินส่วนที่เอิบอาบเป็นธาตุน้ำส่วนที่อบอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนที่พัดไหวเป็นธาตุลมและส่วนที่เป็นช่องว่างเป็นธาตุอากาศรูปกายนี้มีความเข่นแข็งก็ด้วยธาตุ ด, ดินดูความเข่นแข็งที่เป็นธาตุ ด, ดินนี้ รูปกายนี้สดชื่นก็ th th ด้วยธาตุน้ำดูธาตุน้ำที่รูปกายนี้รูปกายนี้อบอุ่นก็ด้วยธาตุไฟดูความอบอุ่นที่รูปกายนี้รูปกายนี้มีลมพัดไหวเช่นหายใจเข้าหายใจออกก็ด้วยธาตุลมดูธาตุลมที่รูปกายนี้ รูปกายนี้มีช่องว่างต่างๆก็ด้วยธาตุอากาศดูธาตุอากาศที่รูปกายนี้คุณลักษณะของรูปกายโดยส่วนรวมกันนี้เรียกว่ามหาพูต ร, รูปและรูปกายนี้ยังมีประสาทต่างๆประสาทตาประสาทหูประสาทาสาสาจมูก ประสาทลิ้นประสาทกายมีภาวะเป็นสตรีเป็นบุรุษมีความอ่อนไม่แข็งทื่อย่างศพแสดงอาการทางกายวาจาต่างๆได้ลักษณะต่างๆมีเป็นต้นดังกล่าวนี้เรียกอุปาายรูปรูปอาศัยคือ อาศัยอยู่กับมหาพูตธรูปรูปกายซึ่งประกอบด้วยมหาพูตรูปและอุปาทายรูปเหล่านี้รวมเรียกว่ารู ป, ปรขันธ์กองรูปเป็นที่ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราฉะนั้นจึงเรียกว่าอุปาทานขันธ์ ขันเป็นที่ยึดถือรูปกายนี้ก็เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อกาเนิดในขันของมารดาแล้วก็เติบโตขึ้นมาโดยลำดับด้วยอาศัยอาหารเป็นเครื่องทนุบำรุงเลี้ยงอาหารนั้นก็คือธาตุทั้งสี่ธาตดุดินธาตุน้ำธาตุไฟ ธาตุลมนั่นเองซึ่งต้องบริโภคเพื่อบำรุงเลี้ยงรูปกายให้เป็นไปได้เพราะฉะนั้นความเกิดของรู ป, ปรขันจึงมีได้ด้วยอาหารหรือด้วยมาหาภูตรูปทั้งสี่ความดับของรูปกายก็มีได้เพราะสิ้นอาหารหรือเพราะเหตุต่างๆที่มาประกอบกันเข้า แตกสลายไปด้วยเหตุปัจจัยอย่างได้อย่างหนึ่งเมื่อตรวจดูให้รู้จักลักษณะของรูปรขันธ์ความเกิดขึ้นของรูปรขันธ์ความดับไปของรูปรขันธ์ดังนี้แล้วก็ตรวจดูสืบเข้ามาถึงเวทนาขันธ์กองเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขความรู้สึกเป็นทุกข์ ความรู้สึกเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขยกตัวอย่างเช่นในขณะที่นั่งอยู่นี้เมื่อลมพัดมาต้องกายเย็นสบายก็เป็นสุขขเวทนายุงกัดหรือมีความเมื่อยขบก็เป็นทุกขเวทนาคราวนี้เมื่อยกเอาทุกขเวทนาและสุขเวทนาดังกล่าวนี้ ออกเสียก็เป็นอทุกขมาสุขเวทนาความรู้สึกเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขเวทนาที่เป็นกลางๆนี้โดยปกติมักมีอยู่เป็นพื้นบุคคลสนใจก็ในเมื่อมีทุกข์มาแทรกหรือมีสุขมาแทรกจนปรากฏแต่เมื่อไม่มีทุกข หรือมีสุขมาแทรกก็เป็นกลางๆางเพราะฉะนั้นเวทนาที่เป็นกลางๆงนี้จึงมีอยู่มากไม่พิจารณาก็รู้สึกเหมือนไม่มีดูลักษณะของเวทนาตรวจไปให้ทั่วกายก็จะเห็นว่ามีเวทนาอยู่เป็นส่วนมากความเกิดขึ้นหนึ่งของเวทนามีเพราะผัสสะ คือการกระทบเช่นลมมากระทบกายหรือว่ายุ่งกัดเหล่านี้เป็นผัสสะคือการกระทบต้องมีวิญญาณรับรู้ประกอบด้วยจึงจะเป็นผัสสะสมบูรณ์เมื่อมีการกระทบซึ่งมีวิญญาณประกอบด้วยผัสสะสมบูรณ์ดังนี้จึงเป็นเวทนา ถ้าไม่มีผัสสะเวทนาก็ดับหรือเวทนาเกิดขึ้นก็ดับไปตามธรรมดากำหนดดูให้รู้ลักษณะของเวทนาความเกิดของเวทนาความดับของเวทนาต่อจากนี้ก็ดูสัญญาความจำหมายจำรูปจำเสียงจำกลิ่น จำรถจำสิ่งที่กายถูกต้องจำเรื่องที่ใจคิดดูความจำที่ตนเองและดูความเกิดของสัญญาสัญญาก็เกิดขึ้นเพราะภาะัสะคือการกระทบสืบมาจากเวทนาดับไปตามธรรมดาหรือเพราะไม่มีภัสะคือการกระทบดังกล่าวแล้ว ดูลักษณะของสัญญาความเกิดของสัญญาความดับของสัญญาต่อจากนี้ก็ดูเข้ามาถึงสังขารคือความคิดคิดถึงรูปคิดถึงเสียงคิดถึงกลิ่นคิดถึงรสคิดถึงสิ่งที่กายถูกต้องคิดถึงเรื่องที่ใจคิดดูความคิดของตนเอง และดูให้รู้ว่าสังขารคือความคิดดังกล่าวนี้ก็เกิดจากผัสสะคือการกระทบสืบมาจากสัญญาดับไปตามธรรมดาหรือเพราะไม่มีผัสสะคือการกระทบต่อจากนี้ก็ดูวิญญาณวิญญาณนี้หมายถึงความรู้สึกเห็นรูป ได้ยินเสียงเป็นต้นกล่าวคือรูปกายอันประกอบด้วยประสาทต่างๆซึ่งทาหน้าที่ได้สมบูรณ์มีประสาทตาจะมองเห็นรูปก็ต้องมีวิญญาณเข้าประกอบจึงจะเกิดความรู้สึกเห็นรูปมีประสาทหูจะได้ยินเสียงก็ต้องมีวิญญาณเข้าประกอบ จึงจะรู้สึกได้ยินเสียงมีประสาท pues, จมูกจะได้กลิ่นก็ต้องมีวิญญาณเข้าประกอบจึงจะรู้สึกกลิ่นมีประสาทลิ้นจะรู้สึก ร, behold, รสก็ต้องมีวิญญาณเข้าประกอบจึงจะรู้สึกรู้รส um มีประสาทกายก็ต้องมีวิญญาณเข้าประกอบ จึงจะรู้สึกในสิ่งที่กายถูกต้องมีมณ ะ, ะคือใจจะรู้ธรรมะคือเรื่องต่างๆก็ต้องมีวิญญาณเข้าประกอบจึงจะรู้สึกในเรื่องที่ใจรู้สึกในเรื่องนั้นๆวิญญาณจึงเป็นความรู้สึกที่มีควบคุมอยู่ในอายตนะทั้งปวงถ้าปราศจากวิญญาณเสียแล้ว ถึงจะมีประสาท ต, ตาประสาทหูเป็นต้นก็ไม่รู้สึกเห็นไม่รู้สึกได้ยินเหมือนอย่างซากศพแม้จะตายใหม่ประสาท ต, ตาประสาทหูก็มองไม่เห็นฟังไม่ได้ยินวิญญาณจึงเป็นตัวความรู้สึกที่กระจายอยู่ทั่วไปเป็นความรู้สึกทางตาทางหู ทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางมณะคือใจความเกิดขึ้นของวิญญาณมีเพราะนามรูปอันได้แก่รูปกายก็มีอยู่บริบูรณ์นามกายคือเวทนาสัญญาสังขารพร้อมทั้งวิญญาณก็มีอาศัย กันอยู่บริบูรณ์เป็นกายที่มีชีวิตเป็นกายที่เป็นอยู่เหมือนอย่างที่เป็นอยู่นี้วิญญาณจึงจะเกิดขึ้นถ้านามรูปนี้ไม่มีหรือว่าแตกสลายไปวิญญาณก็ไม่มีดูลักษณะวิญญาณความเกิดของวิญญาณความดับของวิญญาณ ที่ตัวของเราเองให้รู้และเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเหล่านี้เป็นที่ยึดถือว่าเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราฉะนั้นจึงได้เรียกว่าเป็นอุปาทานขันขันเป็นที่ยึดถือแต่ละอย่างตอนข้อว่าด้วย อายตนะโดยปกติรูปขันก็มีอยู่เป็นที่จิตอาศัยและเมื่อจะเกิดนามขันคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะต้องมีวิญญาณคือความรู้สึกเห็นรูปได้ยินเสียงเป็นต้นขึ้นก่อนแล้วจึงจะมีภาวะที่เรียกว่าภัสส คือการกระทบซึ่งเป็นการกระทบอันมีวิญญาณเข้าประกอบจึงจะเกิดเวทนาเกิดสัญญาเกิดสังขารคือความคิดเมื่อคิดไปก็รู้สึกไปด้วยก็เกิดวิญญาณแล้วก็เกิดเวทนาเป็นต้นเป็นวงกลมฉะนั้นเงื่อนที่จะเกิดนามขันขึ้น จึงอยู่ที่นามรูปอันเป็นเงื่อนที่จะให้เกิดวิญญาณนามรูปอันเป็นเงื่อนที่จะให้เกิดวิญญาณนั้นก็หมายถึงรูปกายอันนี้และนามกายอันนี้ประกอบกันดังกล่าวแล้วเป็นรูปกายนามกายที่สมบูรณ์ไม่บกพร่องเป็นรูปกายนามกายที่มีชีวะมีประสาท ต, ต่างๆ มีอายตนะต่างๆปฏิบัติหน้าที่ได้ฉะนั้นจึงต้องกำหนดดูอายตนะที่เป็นที่ต่อหรือเป็นช่องให้เกิดนามธรรมอายตนะนั้นก็ได้แก่จากสุตาอันหมายถึงประสาตตานี่เป็นภายในรูปที่ตาเห็นนี่ เป็นภายนอกคู่หนึ่งโสตะหมายถึงประสาทหูนี่เป็นภายในเสียงที่หูได้ยินนี่เป็นภายนอกคู่หนึ่งคานะหมายถึงประสาทจมูกนี่เป็นภายในกลิ่นที่จมูกได้สูดดมนี่เป็นภายนอกคู่หนึ่งชิวหาลิ้น หมายถึงประสาทลิ้นนี่เป็นภายในรถที่ลิ้นเดริ้มนี่เป็นภายนอกคู่หนึ่งกายหมายถึงประสาทที่มีทั่วไปนี่เป็นภายในสิ่งที่กายถูกต้องนี่เป็นภายนอกคู่หนึ่งมโนหรือมณะที่แปลกันว่าใจนี่ เป็นภายในธรรมคือเรื่องต่างๆเรื่องรูปเรื่องเสียงเป็นต้นที่ได้ประสบพบผ่านมาแล้วที่ใจหยิบเอามาคิดนึกนี่เป็นภายนอกคู่หนึ่งเหล่านี้เรียกว่าอายตนะคือที่ต่อที่ต่อข้างในกับที่ต่อข้างนอกอย่างจกขู่ ก็เป็นที่ต่อข้างในหรือภายในรูปก็เป็นที่ต่อข้างนอกหรือภายนอกมาประกอบกันทุกๆคนตั้งแต่ตื่นนอนเช้าจนหลับไปใหม่อายตนะต่างๆเหล่านี้ก็ประสานกันอยู่ประกอบกันอยู่เสมอเหมือนอย่างในบัดนี้ถ้าลืมตา ากับรูปก็จะต้องประสานกันประกอบกันหูก็เหมือนกันก็จะต้องประสานกันประกอบกันอยู่กับเสียงเสียงที่แสดงธรรมอบรมนี้บ้างเสียงรถข้างนอกบ้างเสียงอื่นๆบ้างจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับสิ่งที่กายถูกต้อง ใจกับเรื่องที่ใจคิดต่างก็ประกอบกันอยู่ประสานกันอยู่เสมอในขณะเดียวกันก็อาจที่จะมีการประสานกันประกอบกันของอายตนะเหล่านี้หลายอย่างเช่นในขณะเดียวกันนี้หูกับเสียงก็ประกอบกันประสานกันบางทีก็เป็นเสียงหลายอย่าง ลมพัดมาถูกกายกายกับปวดทพะก็ประกอบกันประสานกันหรือว่าลมพัดเอาสิ่งต่างๆเข้ามากลิ่นกับจมูกก็ประสานกันประกอบกันรวมความว่าอายตนะทั้งหกคู่นี้ประกอบกันประสานกันอยู่ตลอดเวลาและไม่ใช่ประกอบกัน อยู่ประสานกันอยู่เฉพาะอายตนะเหล่านี้เท่านั้นยังผูกใจหรือผูกจิตประกอบจิตด้วยเมื่อตากับรูปประสานกันก็เข้ามาผูกจิตไว้ให้จิตคำนึงอยู่ในเรื่องรูปเมื่อหูกับเสียงประสานกันประกอบกันก็เข้ามาประกอบจิตไว้ ดึงจิตให้เข้ามาอยู่ในเรื่องเสียงเมื่อกลิ่นกับจมูกประสานกันประกอบกันก็เข้ามาผูกจิตดึงจิตให้วิ่งไปกับกลิ่นดังนี้เป็นต้นฉะนั้นเมื่อตรวจดูแล้วจิตของทุกๆคนนี้จึงได้ถูกผูกและถูกดึงให้วิ่งไปในเรื่องรูปบ้าง ในเรื่องเสียงบ้างในเรื่องกลิ่นบ้างในเรื่องรสบ้างในเรื่องโพธภะบ้างในเรื่องที่ใจคิดนึกถึงรูปเสียงเป็นต้นในอดีตต่างๆบ้างจิตถูกดึงให้วิ่งไปในเรื่องต่างๆเหล่านี้ถึงหทางเพราะฉะนั้นจึงเป็นจิตที่ไม่สงบวิ่งไปในเรื่องโน้นบ้าง วิ่งไปในเรื่องนี้บ้างแม้ในขณะที่กำลังนั่งเพื่อจะรวมจิตให้เป็นสมาธิอายตนะต่างๆก็ยังเข้ามาผูกจิตดึงจิตให้วิ่งไปทางโน้นให้วิ่งไปทางนี้ให้วิ่งไปทั่วอันนี้เองที่จะทำให้จิตรวมเป็นสมาธิไม่ได้เพราะฉะนั้น ก็ต้องกำหนดดูให้รู้ลักษณะของอายตนะทั้งหกทางนี้ดูให้รู้ว่าเมื่ออายตนะเหล่านี้ประสานกันทั้งหกทางก็เข้ามาผูกจิตและดึงจิตให้วิ่งพลานไปต่างๆทำไมจึงเข้ามาผูกจิตได้ก็เพราะขาดสติและขาดญาณ ขาดสติคือความระลึกระมัดระวังขาดยานคือความอย่างรู้ถ้ามีสติระมัดระวังอยู่เพียงพอมียานคือมีความอย่างรู้อยู่เพียงพออายตนะเหล่านี้ก็เข้ามาผูกจิตให้วิ่งพลานไปในที่ต่างๆไม่ได้แต่จะต้องมีสติให้เพียงพอองมีความอย่างรู้ให้เพียงพอ ในเบื้องต้นก็ยังเป็นสติไม่พอไม่ทันคือสติกำหนดไม่ทันญาณรู้ไม่เท่าแต่เมื่อได้ฝึกหัดปฏิบัติอบรมสติให้เกิดมีให้ทันและอารมณ์ญาณคือความอย่างรู้ให้เท่าก็จะป้องกันไม่ให้อายตนะทั้งหกทางนี้เข้ามาผูกจิตดึงจิต ให้พลานไปได้รอบจะทำจิตให้ตั้งมั่นให้สงบเป็นสมาธิลงได้และสามารถที่จะน้อมจิตที่เป็นสมาธินี้ดูให้เห็นลักษณะหน้าตาของอาการเหล่านี้ดูกิริยาของอาการเหล่านี้ที่เป็นไปเมื่อตั้งใจตรวจดูความวิ่งเข้าวิ่งออก ของอายตนะด้วยตนเองและถ้าดูให้เห็นได้แล้วอายตนะเหล่านั้นก็เข้ามาผูกจิตและดึงจิตให้วิ่งไปไม่ได้แต่จะวิ่งไปเองตามเรื่อง10กันยายน2504